เรื่องพวกชดินก่อไฟข้อ47สมัยนั้นชดินเหล่านั้นต้องการจะบูชาไฟแต่ไม่อาจจะก่อไฟให้ลุกได้ครั้งนั้นชดินเหล่านั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าการที่พวกเราไม่อาจจะก่อไฟให้ลุกได้คงเป็นอิทธานุภาพของพระมหาสมณะโดยไม่ต้องสงสัยเลยลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับชดินรุเวลกัสปะว่ากัสปะ พวกชดินจงก่อไฟให้ลุกขึ้นเถิดชดินอุรุเวลกัสปะทูลรับพระดํารัสว่าข้าแต่มหาสมณะพวกชดินจงก่อไฟให้ลุกขึ้นไฟทั้งห้า้อยกองได้ลุกขึ้นพร้อมกันทีเดียวขณะนั้นชดินอุรุเวลกัสปะคิดว่าพระมหาสมณะมีฤทธิ์มากมีอาณาภาพมากจริงถึงกับให้ไฟลุกขึ้นได้แต่ไม่เป็นพระอารหันต์เหมือนเราแนะ่